เรื่องจีวรมีขนาดเพียงไรจึงต้องวิกับสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีความคิดดังนี้ว่าจีวรมีขนาดเพียงไรเป็นอย่างต่ำพึงวิกับภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้วิกับจีวอมีขนาดยาว8นิ้วกว้าง4นิ้วโดยนิ้วสุขตเป็นอย่างต่ำ